้การรู้กายรู้ใจต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจหลายคนชอบบังคับนะยางอ้างคำภีด้วยนะบอกทุกให้กำหนดรู้นั้นต้องคอยกาหนดไปเรื่อยๆทั้งกาหนดรูปกาหนดนามเพราะนั้นพูดเราเองนะตัวบาลีไม่ได้แปลว่ากำหนดนะบอกทุกให้รู้ทุกเป็นของควรรู้รอบนี่ก็จะแปลให้ตรงกระศั์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 เราคนนี้ไม่เคยหายไปไหนเราคนนี้ก็เราตัดเด็กๆเราเดี๋ยวนี้ก็เราตันเด็กๆนั่นเราคนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้แต่พอเรามีสติวา่าขึ้นมาเราจะเห็นในชีวิตส่วนที่ผ่านมานี้ขาดไปละเป็นอดีตไปหมดแล้วชีวิตเหานั้นหายไปหมดละเกิดแล้วดับไปทั้งสิน้นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแป บ, บหนึ่งความรู้สึกตัวก็ดับอีกอาจจะหลงใหม่หรืออาจจะเกิดความรู้สึกตัวต่อไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้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 ก็เลยมุ่งไปตรงนั้นแต่แต่พอมาฟังทำของหลวงพ่อแล้วก็กลับพอกลับการปฏิบัติแล้วมันก็ก็เกิดสภาวะต่างๆจริงๆแล้วมันคือเส้นผมบางผูกเขานิดเดียวเส้น<ม>ผมบางผูกเขานิดเดียวเลยเธรรมะนี้ง่ายที่สุดเลยแต่ว่าสวนกระแสกระแสของจิตใจเนี่ยพร้อมที่จะไหลออกไปจับอันโ น, น้นจับอันนี้ อ, อันนี้เราจะเห็นเลยถ้ากระแสของจิตไหลไปจับอะไรนิดเดียวความทุกข์ก็เกิด เ, เลย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 เขาลุเขารู้ตัวว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืเขาว่าคลายตัวเองเขาเองแต่ก็ยังก็ยังกลัวเดแต่ก็ยังคลายคลายออกมาหน้ดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้ครับอปฏิบัติไปบางครั้งมันเหมือนจิตมันไม่มีน้ําหนักอืเบาๆครับคือเคยเห็นกายเป็นขนาดนี้หรือเปล่าไม่ใช่อขนาดนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นี่ไม่ถูกนะขนาดนี้เกาะๆอยู่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 นี่หลังมันก็เข้าใจนะออใหม่ๆก็ลำบากหน่อยสีนจำเป็นนะสินจำเป็นคนไหนถือสีนได้มีเครดิตในตัวเองนะอย่างคุยกับลูกค้าแล้วบอกทำธุรกิจกับคนมีสีนมันสบายใจได้นะอย่างงี้เขาก็เชื่อเราง่ายเผื่อเราทุ่มสนะวก็โกงเขาได้ง่ายไดนะ้อย่าไปโกงเขานะ รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นกิเลสอะไรเท่าไหร่อคะค่ะแล้วเห็นอะไรบ้างนะบางวันก็แบบรู้สึกว่าขี้เกียจบ้างแบบพอรู้ตัวมันก็เหนื่อยบางวันก็แบบรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเคยกลัวไหมเคยเคยเกลียดไหมเคยคะ่ะรู้จักกังวลไหมกังวลรู้จักคะ่ะเคยอิจฉาบ้างไหมบอกตรงๆเคยคะ่ะเคยเหมือนกันใช่ไห ม, มเห็นไหมว่าจริงๆการดูจิตนั้นง่าย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 ยมก็คิดอย่างนั้นนะเจ้าก่ะ โ, โอเคนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมดูไ ป, ไปเรื่อยๆเลยนะ<า>ดูไ ป, ไปเรื่อยอเขียนนะอาเชิญยมกลับบ้านได้